พอสุขพอสำเร็จหรือดีขึ้นมาหายากคนที่จะไม่ตกหลุมความประมาทพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความไม่ประมาทเป็นศาสนาที่สอนหลักอนิจจังเพื่อให้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสหลักอนิจจังโดยทั่วไปจะทรงโยงต่อไปสู่การย้ำให้ไม่ประมาท คนไทยเรามักเอาหลักอนิจจังมาใช้ปลงจนกระทั่งมีนักวิชาการคนหนึ่งเอามาเขียนก็เลยถือโอกาสชี้แจงบ้างท่านผู้นี้ก็อยู่ในวงการวิชาการมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงนักวิชาการที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะศึกษาไม่ตลอดหรือไม่ทะลุเดี๋ยวนี้เป็นกันไม่น้อยแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าคนไทยเราอาจจะบกพร่องมีความเข้าใจผิ ด, ผดนับถือเพี้ยน ปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปจึงทําให้ท่านนักวิชาการนี้พลอยเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดไปด้วยฉะนั้นเราก็จะไม่ติดเตียนท่านแต่ควรต้องชี้แจงท่านผู้นี้บอกว่าคนไทยชาวอีสานนับถือหลักอนิจจังตามคําสอนของพระพุทธศาสนาเลยมีชีวิตอยู่ไปวันวันท่านว่าอย่างนั้นนี่นักวิชาการพูดนะเราจะว่าอย่างไร ถ้าจะเถียงก็ต้องเถียงให้ถูกอย่าเพิ่งไปโกรธเดี๋ยวจะไปเหมือนกับกรณีโปรเฟสเซอร์ซัตตันเมื่อสัก2 0 3สปีมาแล้วโปรเฟสเซอร์โรเบิร์ตแอลซัตตันเข้ามาในประเทศไทยในโครงการที่จะจัดตั้งคณะรัฐราศาสนรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนี้ได้แยกออกไปตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์ ตอนตั้งคณะรัฐระา ศ, าศาสนศาสตร์และพัฒนาวิชารัฐราศาสนศาสตร์ในประเทศไทยก็มีฝรั่งมาช่วยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาศาสตราจารย์โรเบิร์ตแอลซัตตันก็เป็นท่านหนึ่งที่เข้ามาท่านผู้นี้เข้ามาแล้วก็วิจัยสังคมไทยแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า p ลับ i ิ Administration in Thailand ์ซึ่งเขียนไว้ตอนหนึ่งว่า ปัจจัยสำคัญสองอย่างที่ถ่วงการพัฒนาของสังคมไทยได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรต่างๆเช่นเรื่องสันโดษทําให้คนไทยเกียจคร้านเป็นต้นทําให้ขัดขวางการพัฒนาชาวพุทธเราก็โกรธซัดตั้นกันใหญ่ด่าซัตั้นกันแรงๆแต่ที่จริงเราจะต้องสํารวจตัวเราเองด้วยว่า เราอาจจะใช้คำสอนในพุทธศาสนาผิดพลาดหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้ควรมองให้ดีแล้วเราต้องหาประโยชน์ให้ได้ในด้านที่เขาเข้าใจผิดพลาดเราก็ชี้แจงอธิบายไปแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคำเตือนให้เราสำรวจตัวเองอั น, นิจจังนั้นมีประโยชน์ทั้งสองอย่างอั น, นิจจังเป็นหลักความจริงตามธรรมชาติไม่เข้าใครออกใคร เมื่อเรารู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นความจริงของกฎธรรมชาติแม้จะมีเหตุการณ์ร้ายพันผวนปลวนแปรเกิดขึ้นแต่ด้วยความรู้เท่าทันนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เดือดร้อนเกินไปและเราจะมีสติทำให้ปลงใจปล่อยวางได้ในแง่นี้ เราใช้อนิจจังในการที่จะทำให้ใจสบายปล่อยวางไม่ทุกข์พอมีอะไรเกิดขึ้นเช่นเกิดการพลัดพรากก็บอกว่าเอออนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นไปนแล้วตามธรรมดาของธรรมชาติมันขึ้นต่อเหตุปัจจัยของมันไม่ได้ขึ้นต่อความปรารถนาของเราพอคิดได้ก็ใจสบายหายทุกข์ได้เร็วนี่คือในแง่ความรู้เท่าทัน แต่ถ้าทำได้แค่นี้จะครบหรื อ, อยังตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพอปล่อยวางโดยปลงอนิจจังสบายใจแล้วเรานี้ปัญหาที่มีอยู่ก็ปล่อยเลยไม่เพียรพยายามแก้ไขถ้าอย่างนี้ก็มาเข้าหลักความประมาทแล้ว การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาอันใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครแม้เป็นพระอริยก็ตามเมื่อยังไม่ได้เป็นพระอรหรันถ้าคิดพูดทำแล้วทำให้เกิดความประมาทก็ผิดทันทีมีพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระภิกษุองค์หนึ่งปฏิบัติธรรมไปบรรลุผลสาเร็จระดับหนึ่งแล้วเกิดความภูมิใจว่า เราได้เพียรพยายามมาจนได้บรรลุคุณในวิเศษถึงขั้นนี้แล้วภูมิใจตนเองพอภูมิใจพอใจพระพุทธเจ้าตรัสทันทีว่าเธอเป็นประมาทวิหารีคือเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นหยุดไม่ได้แม้แต่ได้บรรลุภูมิธรรมสูงทําความดีอย่างดีแล้วถ้าเกิดนอนใจเมื่อใดก็ผิดหลักทันที คือผิดหลักพระพุทธศาสนาในข้อว่าตกลงไปในความประมาทเช่นสันโดษถ้าทำให้เกิดความพอใจและหยุดความเพียรพยายามเสียก็กลายเป็นโทษทำให้เกิดความประมาทอย่างบางคนยึดหลักกรรมเก่าพอประสบเคราะหร้ายภัยพิบัติก็ลงว่าเป็นกรรมเก่าของเราแล้วนอกจากปล่อยวางก็ปล่อยปละละเลยด้วย หรือไม่ทำอะไรไม่แก้ไขปรับปรุงนึกว่าตัวจะไม่ทำกรรมแต่ที่จริงกลายเป็นทำกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลกรรมนั้นก็คือความประมาทเพราะฉะนั้นหลักความประมาทจึงเป็นตัวตัดสินพระพุทธเจ้าตรัสหลักความไม่ประมาทไว้เป็นหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งหมดเหมือนรอยเท้าช้างเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไปแล้ว เข้าสู่ความประมาทปั๊บก็ผิดทันทีความประมาทนี้เป็นหลุมดักหรือหลุมรางใหญ่ผู้ที่ทำอะไรได้ดีคนที่มีความสุขคนที่ประสบความสาเร็จมักจะมาตกหลุมความประมาทนี้ทำให้หมุนเวียนไปในวงจรแห่งความเจริญแล้วเสื่อมของปุถุชนที่นี้อนิจจังเราเอามาใช้ปรง พอลงแล้วปล่อยวางแล้วสบายใจหายทุกข์ก็ไม่แก้ไขปัญหาไม่เพียรพยายามที่จะจัดการแก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไขและทำสิ่งที่ควรทำต่อไปก็กลายเป็นประมาทก็ผิดหลักพระพุทธเจ้าตรัสอนิจจังไว้นอกจากเพื่อให้รู้เท่าทันหายทุกขแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทพระองค์มีแต่เตือนว่า สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงจะไว้ใจไม่ได้จะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีอะไรจะต้องเร่งรัดจัดทำก็รีบทำเสียจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ยังในบทสวดพัฒเกกรัตนสูตรเราก็สวดกันอยู่เสมอว่าอัเชวากิจมาตปังโกรชัญญามรณงสุเวความเพียรควรทำเสียตะวันนี้ใครเล่ารู้ว่าจะตายในวันพรุ่ง อนิจจังเตือนให้ทำความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งในที่สุดรัฐปัดชิมมวาจาคืออัปปามาเทนะสัมปาเทธะพระองค์ก็ยังโยงความไม่ประมาทไปหาอานิจจังว่าวยธรรมมาสังคาราอัปปามาเทนะสัมปาเทธะแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี้คืออนิจจัง แล้วตรัสต่อไปว่าเพราะฉะนั้นอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่คือต่อด้วยไม่ประมาทสิกขาคอยฝึกฝนปรับแก้มีแต่เจริญพัฒนาไม่ประมาทมาหนุนเรา ยิ่งก้าวหน้าไม่หยุดเป็นอันว่าหลักความไม่ประมาทยงกับอนิจจังคืออนิจจังเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่าถ้าเราไม่ประมาทเช่นปฏิบัติตามหลักอริหานิยธรรมก็มีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย ชาวพุทธหลายคนงงและสงสัยว่าเอพระพุทธเจ้าสอนหลักอนิจจังว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎธรรมชาติเกิดแล้วต้องดับไปเพราะฉะนั้นเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมสิทำไมพระพุทธเจ้ามาตรัสขัดเสียเองว่าถ้าปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมแล้วมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนี่คือปริศนาธรรมที่จริงไม่ได้ขัดกันเลย ถ้าเจาะอันนี้ทะลุได้ก็สบายใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่ประมาทแล้วก็ไม่ต้องเสื่อมที่ตรัสนี้ถูกต้องตามหลักอ น, นิจจังหมายความว่าอ น, นิจจังเป็นกฎธรรมชาติเป็นความจริงตามธรรมดาสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงไปแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเลื่อนลอยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เมื Joseph, ่อม <con> ันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมถ้ามีเหตุปัจจัยให้เจริญมันก็เจริญมันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันเจริญต่อไปเราก็ทำเหตุปัจจัยให้มันเจริญต่อไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญยิ่งขึ้น จึงสบายใจได้ว่าถ้าเรารู้เหตุปัจจัยแล้วทําเหตุปัใจจัยให้ถูกต้องมันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญมากขึ้นกฎธรรมชาติก็ไม่ผิดผลนี้ก็เกิดขึ้นแก่มนุษย์คือเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องมีการศึกษาเพื่อจะได้มีปัญญารู้เข้าใจเหตุปัจจัยจะได้ทําเหตุปัจจัยที่ถูกต้องที่จะทําให้เกิดความเจริญ เมื่อทำเหตุปัจจัยถูกต้องด้วยความไม่ประมาทก็มีความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งในชีวิตของตนและส่วนรวมทั้งบุคคลก็เจริญสังคมก็เจริญด้วยไม่ผิดพลาดหลักพระพุทธศาสนาที่ให้ไม่ประมาทนี้จะเป็นหลักประกันว่าเราจะมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมการที่จะไม่ประมาทอย่างนี้ได้และจะทาได้ตามความไม่ประมาทนั้น ก็ต้องมีต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ขึ้นต่อความอยากของคนแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ศึกษาสืบค้นเหตุปัจจัยแล้วก็ทำการที่ตัวเหตุปัใจจัยให้ตรงเหตุตรงปัจจัยถึงตรงนี้ก็เข้าหลักอีกว่าเพื่อให้มีปัญญารู้เหตุปัจจัยก็ต้องศึกษาฉะนั้น ถ้าจะให้พระศาสนาเจริญพระสงฆ์จะต้องอยู่ในตรายสิกขาด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนและมีความไม่ประมาทอยู่เสมอแล้วเราน่าจะใช้หลักเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดวินิจฉัยพฤติกรรมและความเชื่อของชาวพุทธด้วยคือหนึ่งถ้าผิดหลักกรรมมัวไปหวังผลจากการอ้อนวอนขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบรรดาล ไม่มุ่งผลจากการกระทาด้วยความเพียรพยายามเมื่อไรก็ผิด 2. ถ้าไม่แก้ไขปรับปรุงไม่ฝึกฝนพัฒนาตนก็ผิดหลักไตรสิกขาและอยู่ด้วยความประมาทผิดอีกนอกจากนั้นถ้าทำแต่เป็นการทำในทางที่เพิ่มภูกิเลเตสนับสนุนโลภะโทสะโมหะก็ผิดอีก เพราะว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาจะต้องทำให้มีคุณธรรมความดีงามและสติปัญญา ม, มากขึ้นส่วนไสยศาสตร์นั้นมักเอามาใช้ในทางสนองโลภโทสะโมหะเช่นทำร้ายหรือแก้แค้นกันบ้างทำเสน่ห์ให้ลุ่มหลงบ้างจะเอาผลประโยชน์บ้างจึงเสียคุณธรรมไม่ใช่เสริมคุณธรรมและจึงผิด สำหรับพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นการใช้ในทางที่ดึงขึ้นสู่ธรรมะอันนี้เป็นเรื่องที่เราชาวพุทธจะต้องตรหนักถ้าเราดำเนินในวิถีทางที่ถูกต้องคือหันมาใช้วิธีการเรียนรู้หาปัญญาศึกษาฝึกฝนพัฒนาโดยถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาจะประเสริฐด้วยการฝึกถ้าทำอย่างนี้จะอยู่หมดไม่พลาดจากหลักพระพุทธศาสนา ถ้าเราถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเสียแล้วเราก็เลยประมาทเราก็เลยไม่ฝึกฝนพัฒนาตัวเพราะฉะนั้นต้องเติมคำสอนของพระพุทธเจ้าลงไปว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่จะเติมต่อไปอีกก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกแล้วแย่กว่าสัตว์ทั้งหลายอื่น